เพรว่าผิดคํานี้มันผิดขนาดไหนบางทีเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่บางทีเราไม่พอใจในใจด้วยฉันทากติโทสักติโมหกติพยาคติอาจจะอาจจะออกมาจากใจเราก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสรุปแ้วหลายขั้นตอนในการเป็นอยู่อธินาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาสุราใครๆครก็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 เนี่ยอันนี้ก็คือเราไปอยู่ในสถานที่ใดมันต้องมีกฎต้องมีกติกาอยู่ในวัดของเหมือนกันอยู่ในวัดของเราก็มีกฎมีกติกาการอยู่ด้วยกันปัดกวาดเวลาเท่าไรปินทบาทเวลาเท่าไรชั้นเวลาเท่าใดเวลาเท่าไรหาเวลาสงบสงัดผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็เหมือนกัน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 เนี่ยมาอยู่วัดเราก็ทําอย่างพระเพราะมาศึกษามาอยู่กับพระไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ในวัดแล้วทะเลทะรายแถกจะออกไปเวลาไหนก็ออกไปจะมาอยู่ทําไมตรงนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตรงนี้เพื่อมาอยู่ด้วยกฎและเบียบเพื่อมาฝึกหัดดัดนิสัยเรามาอยู่อย่างนี้ถ้าเราหิวนะเราก็เก็บอาหารไว้ไปทานอาหารเที่ยงก็น่าจะพอแล้ว